ธรรมะเนี่ยมันมีคำที่เป็นหัวใจนะหรือที่เ้าเรียกว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยอยู่คำหนึ่งนะก็คือคำว่าทำนะถอดทหารสา ร, รอําธรรมะเนี่ยถ้าเราแค่อ่านได้ยินได้ฟังมันยังไม่พอนะมันต้องลงมือทาด้วย ถึงจะเห็นผลของธรรมะได้ธรรมเนี่ยนะมันก็มีหลายระดับนะตั้งแต่ทำบุญทำทานทำความดีรักษาศรรีลรวมไปถึงการทำสมาธิเมื่อได้ลงมือทาแล้วเนี่ยมันจึงจะได้เห็นประโยชน์เห็นอนิสง์ของธรรมะมจะนั่งคิดเอาอย่างเดียวไม่ได้นะ อย่างเรื่องทานเนี่ยนะหรือการแบ่งปันการให้เนี่ยถ้าไม่ลงมือทำนะมันไม่เห็นเองหรอกนะว่าทำแล้วเนี่ยจะได้ความสุขใจถ้ามองเห็นคนอื่นเขาให้ทานเนี่ยก็อาจจะนึกไปว่าทำแล้วก็ขาดทุนให้ทานคนอื่นเงินในกระเป๋าของเราก็จะน้อยลง ก็จะเห็นได้แค่นี้แหละว่าทําไปแล้วเนี่ยคนอื่นได้นะแต่เราเสียแต่ถ้าได้ลงมือทํำนะให้ทานด้วยตัวเองทวางใจถูกวางใจเป็นนะก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเราเองก็ได้นะได้ความสุขใจอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้ละความสุข บางที่ความสุขที่ที่ได้เนี่ยจากการเป็นผู้ให้เนี่ยมากกว่าความสุขที่เกิดกับผู้รับซะอีกนะอันนี้รวมในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นการทําความดีท่านนึกเอาเนี่ยมันก็ไม่เห็นอันที่ส่งของการทําความดีนะว่าทําแล้วจะได้อะไรแต่ถ้าทําแล้วเนี่ย ก็จะรู้เองเห็นเองการรักษาศีล น, นะศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีหลายคนก็นึกไม่ออกว่าการรักษาศีลแปดเนี่ยโดยเพราะสามข้อสุดท้ายเนี่ยรวมทั้งข้อที่สามซึ่งเปลี่ยนจากการเมสุมิฉาจาราเป็นเป็นอภัอมจริยานเนี่ยมันทำแล้วจะมีความสุขยังไงนะมันมีแต่การทรมานตนมากกว่าเช่น ไม่กินข้าวเย็นไม่กินอาหารในเวลาวิการหรือว่านอนพื้นนอนศาสตร์นอนในที่นอนที่ไม่สูงใหญ่มันจะมีความสุขที่ตรงไหนหรือว่ายิ่งมาถือศีลสองรยี่สเจ็ดข้อเนี่ยก็ยิ่งนึมาออกเลยว่าทำแล้วมันจะดีอย่างไรแต่หลายคนเนี่ยพอมาสมาทานศีลแปดโอ้จิตใจโปร่งเบาชีวิตก็ เรียกว่ามีความสุขมันสุขที่ใจชีวิตก็เป็นอิสระมากขึ้นไม่ต้องห่วงว่าไปไหนเราจะไม่ได้ดูละครบางคนจะไปไหนก็ติดละครก็ไม่อยากไปถ้าที่ไหนไม่มีสัญญาณโทรทัศน์ก็ไม่ไปกลายเป็นว่าถูกรัดรึงด้วยไอ้ความบันเทิงเริงรมละคร ่ถ้าไม่ติดละครนะไม่ติดซีรีสนะ์เกาหลีหรือว่ า, อ, าอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็นแล้วแต่เนี่ยจะไปไหนก็สะดวกจะไปงานศพนะก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรว่าจะไม่ได้ดูละครทางโทรทัศน์นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆหรือว่าถือศีล๒๒๗เหมือนกันนะ เป็นพระเนี่ยบางคังก็เนื่าเป็นพระมันจะดีตรงไหนนะขาดอิสระมีศีลมีศีขาบวชสองยิบเจดข้อเป็นเครื่องรัดรึงทำให้เสีย อ, อิสระภาพนะแต่พอมาบวชเข้าออใหม่ๆมันก็อึดอัดนะช่วงอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกหรือเดือนแรกนะแต่หลังจากนั้นก็เริ่มเบาสบายเพราะว่า ถึงแม้ร่างกายมันไม่สะดวกเหมือนตอนเป็นคลาลวาแต่ใจมันสบายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าธรรมะเนี่ยมันต้องลงมือทานะมันถึงจะเห็นอนิสงให้คาว่าทรรมเนี่ยนะจึงเป็นคาสำคัญคำหนึ่งนะสำหรับคนที่สนใจธรรมะแต่ว่ามันยังมีอีกคำหนึ่งนะที่สำคัญไม่น้อยนะก็ ค, คาว่าเห็นนะ ทำอย่างเดียไม่พอตนะ้องต้องเห็นด้วยนะเห็นในที่นี้คือเห็นอะไรคือเห็นธรรมะนะเห็นสัจธรรมความจริงทำความดีนะแต่ว่าถ้าใจไม่เห็นสัจธรรมนะมันก็ยังมีความทุกข์ถึงแม้ว่าความดีเนี่ยมันจะช่วยให้ความทุก เกิดขึ้นกับเราน้อยลงนะเมื่อเที่ยวกับคนที่ไม่ทำความดีเมื่อเทียวกับคนที่ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนประเภทหลังนี้ก็จะเจอทุกข์มากกว่าถึงแม้ว่าจะมีเงินมีทองร่ำรวยเพราะการคดโกงหรือเพราะความตนหนีทินเนี้ยแต่ว่าไม่มีความสุขเท่ากับคนที่เขาทำความดีรักษาศีลมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในเพียงแค่รักษาศีนห้าเนี่ยนะไอ้เรื่องเดือดเนื้อร่อนใจหลายอย่างก็จะลดลงถ้าไม่ไปขโมยของเนี่ยนะไม่ไปคดโกงใครไม่ไปผิดลูปผิดเมียใครไม่ไปโกหกผู้จาเสีดสีด่าว่าใส่ร้ายใครเนี่ยก็จะมีความสุขความสบายใจ ไม่รู้สึกอยู่ร้อนนอนทุกข์นะไม่ต้องหวาดผวาว่าจะมีคนมาทํำร้ายเพราะแก้แค้นไม่ต้องกลัวว่าตํารวจจะจับหรือเปิดโปงมีคนมาเปิดโปงความชั่วของเราไม่ต้องกลั ว, วมีคนจะมาแก้แค้นต่อว่าด่าทอเรารวมทั้งศี่งข้อทีห้าเนี่ยถ้าทําความดีรักษาไว้ให้ดีนีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสุรายาเมา พรสุขภาพก็จะดีขึ้นเยอะนะโครคภัยไข้เจ็บหลายอย่างก็จะไม่มาเกี่ยวขอวย้องโดยเพราะถ้ารวมถึงการสูบบุหรี่ด้วยเนี่ยง ด, งดเต็งงดเบ้นโรคหลายชนิดก็จะไม่มาเยี่ยมเยียนไม่ว่าจะเป็นโรคหวัวใจโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตับหรือว่าโรคตับแข็งเนี่ยรวมทั้งความพิการพิการที่จะเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุก็นะ ก็จะลดน้อยลงนะอาจจะเป็นอาจจะพิการเพราะคนอื่นทำนะแต่ไม่ใช่พิการเพราะตัวเองเนี่ยเ ม, มาเมาขับรถชนเสาไฟฟ้าตกคูนะแต่ว่าทำความดีเนี่ยแม้ว่าความดีมันจะเป็นเหมือนกําแพงที่คอยขวางกั้นไม่ให้ความทุกน า, นานาชนิดเข้ามาถึงตัวเรา แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ากำแพงแห่งความดีมันจะกันทุกได้ร้อยเอร์ซนะมันสามารถจากการได้สักแปดสิบหรือเกสิบเปอร์ซ็นเป็นอย่างมากมันยังมีความทุกข์หรือเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเรานะอยู่นั่นเองอย่างน้อยก็สิบเปซนะเช่นทำดียังไงเนี่ยมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องป่วยทำดีอย่างไรนะมันก็ต้องเจอความพลาดพราดสูญเสียคนรักสักวันหนึ่งก็ต้องตายจากไปไม่เป็นพ่อเป็นแม่หรือบางทีจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นลูกหลานของเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นจเฉพาะคนชั่วนะคนดีก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ ทำดีแต่ว่าคนไม่เห็นความดีของเราไม่เห็นไม่พอยังนินทาว่าร้ายนะหรือว่าใส่ร้ายนะอันนี้ถ้าหากว่าเห็นความจริงนะว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาโลกเนี่ยก็จะไม่ทุกข์มากเห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยก็ต้อง เกิดมาเก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพลาดสูญเสียแล้วก็ต้องตายในที่สุด เ, เมื่อเห็นว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นสจัจธรรมเนี่ยถ้าเห็นจริงๆนะมันไม่ทุกข์ทําใจได้ทําดีแล้วไม่มีคนเห็นโอ้ธรรมดาทําดีเพียงไรแต่ยังมีคนนินทาก็ธรรมดานะเพราะผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ย คนผู้มากก็ถูกนินทาคนพูดน้อยก็ถูกนินทานิ่งเลยก็ยังถูกนินทาเลยไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากการถูกนินทาแม้แต่พู้เจ้านะทําความดีมามากมายไม่มีความคิดร้ายต่อใครเดีนะ๋ยวว่าแต่การทําร้ายนะความคิดร้ายยังไม่มีก็ยังถูกคนใส่ร้ายนะว่าไปฆ่าผู้หญิงนะหรือว่ามีคนรอบทําร้าย หลอบฆ่าด้วยธนูเอาหินอ่าถลายให้ลื่นตกลงมาเพื่อจะทับหรือว่าส่งช้างนะมาเพื่อที่จะมาทำร้ายพระองค์อันนี้เนี่ยนะมันเราต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาและถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมดาโลกเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์นะถึงแม้ว่าเหตุร้ายมันจะ <Jub ilee> มาถึงตัวถึงแม้วากำแพงความดีจะสกดัดกั้นไม่ได้เหตุร้ายนี่มันข้ามมาจนถึงตัวแต่ว่ามันก็อาจจะมากระทบตัวเท่านั้นหรือกระทบสิ่งของที่เรามีแต่ว่ามันไม่กระเทือนไปถึงใจการเห็นเนี่ยเห็นสัจธรรมเนี่ยมันเป็นกำแพงด่านสุดท้าย ที่จะช่วยรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์อันนี้เห็นเนี่ยนะก็อย่างที่บอกไปนะก็คือเห็นเห็นสัจธรรมความจริงนะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงรวมทั้งสังขารร่างกายของเรามันมันไม่เที่ยงคือมันไม่คงที่มันเป็นทุกข์แต่ว่าไม่คงตัวก็คือต้องเสื่อมไปต้องดับไป แล้วมันไม่ใช่ตนก็คืออนัตตาเนะี่ย น, นี่ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ถ้ารู้และเห็นจริงๆเนี่ยนะมันก็ทําให้ใจไม่ทุกได้เพราะว่าใจาก็จะไม่ปล่อยไม่ยึดติดถือมั่นกับอะไรเลยเรื่องปล่อยวางนะแต่เป็นการปล่อยวางที่ใจนะส่วนงานการที่เกี่ยวข้องยังต้องทํายังต้องดูแลรักษาร่างกายตัวเองต้องดูแลรักษาข้าวของเครื่องใช้เช่นบ้าน หรือว่าถ้ามีรถยนต์ก็ดูแลรถยนต์ไม่ให้เสือไม่ให้เสียถ้ามีลูกก็ดูแลลูกมีพ่อแม่ก็ดูแลพ่อแม่แต่ว่าข้างในใจก็ปล่อยวางเพราะรู้ว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็เกิดขึ้นไดไ้การเห็นความจริงเนี่ยนะมันเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งนะของธรรมะไอ้ธรรมะนี่ถ้าเราสังเกตดูนะนอกจาก ท่านจะในเรื่องทำแล้วก็จะในเรื่องการเห็นบทสวดมนต์หลายบทที่เราสวดกันตอนเช้าบ้างเย็นบ้างเนี่ยมันจะมีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารั้องปวงไม่เที่ยงสังขารั้งปวนเป็นทุกข์ทำต้องปวนเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานนำเป็นธรรมหมดจด บางทีในบทเรื่องอริยสัพย์เนี่ยก็มีนะศรัทธาสีความเลื่อมใสและความเห็นธรรมนะสีนี่เป็นเรื่องการปฏิบัตินะส่วนความเห็นธรรมนี่ยคือเรื่องการเห็นเห็นนี่คือเห็นจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คิดเห็นนะไอ้ความคิดเห็นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเห็นในที่นี้คือเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเนี่ยนะไอ้ความทุก ที่มันจะเกิดขึ้นกับใจก็จะน้อยลงอาจจะเกิดขึ้นกับกายเช่นเจ็บป่วยแต่ถ้าเห็นความจริงว่ามันไม่มีเรานะหรือมันไม่มีกูนะเวลาเจ็บกายเนี่ยนะมันก็จะไม่รู้สึกว่ากูเจ็บนะก็เห็นว่ามันเป็นกายที่เจ็บนะไม่ใช่กูเจ็บไอ้ความไอ้เรื่องกูเจ็บเนี่ยเป็นความสำคัญมั่นหมายนะเป็นความหลงผิด ถ้าเห็นความจริงเมื่อไหร่ว่าไอ้กูเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นแค่มายาอะไรเกิดขึ้นกับกายก็ไม่รู้สึกว่าเป็นกูมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่บุทดานะาวาโรนะเมื่อสักส0มสิบสสิบปีมาแล้วมั้งท่านก็ไปไปผ่าตัดเอานิ้นอเอนื้นอไตออกนะ สมัยนั้นก็มันยังไม่มีเครื่องอ่ที่จะอุตสาห์หรือเครื่องที่จะมาใช้วิธีที่นุม่มนวล น, นะก็ต้องผ่าท่าก็แปดสิบกว่าแล้วนะผ่าเสร็จไม่ถึงสิบ้านาทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็น้วแล้วเขายัางชั่วล้วคือท่านจอดจากโรงพยาบาลแล้วจะกลับวัดหมอแล้วพยาบาลก็แปลกใจตกใจด้วยซ้ํา เพราะว่าคนที่ผาน้อยกว่าท่านเนี่ยนะก็ยังแสดงอาการว่าปวดแล้วก็ต้องพักอยู่นานแต่หลวงปู่นี่จะกลับวันล้วหมอก็เลยสงสัยว่าหลวงปู่ไม่ปวดเหรอลุงท่านก็บอกวปวดสิทาไมไม่ปวดนะร่างกายงฉันก็เหมือนคนธรรมดานั้งแหละเมื่อโดนผาก็ต้องปวดนะแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยนะ มันไม่เกี่ยวกันนะคือคนธรรมดาเนี่ยถ้าไม่เห็นความจริงนะมันก็จะคิดแต่ว่ามีกูนะเวลากายเจ็บมันก็จะกูเจ็บนะแต่ว่าหลวงปู่วดานี่ท่านมองทะลุไปแล้วเห็นความจริงว่าไม่มีกูมันมีแต่กายกับใจนะกายเจ็บไม่มีกูเจ็บนะเพราะฉะนั้นใจก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บไปด้วย อันนี้ก็เป็นเพราะท่านเห็นนะเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเรามาเข้าหาธรรมะแล้วเนี่ยนะนอกจากการทําแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกนะให้เห็นด้วยนอกจากการทําความดีแล้วก็ต้องเห็นความจริงแต่ก่อนที่จะเห็นความจริงที่เลวทรัตธรรมเนี่ยนะเราก็สามารถจะเริ่มต้นจากการที่เห็นของจริงก่อน เห็นของจริงที่จะใกล้ตัวเรามาเจอก็คือเห็นกายและใจเห็นกายเห็นใจเห็นความจริงของกายและใจหรือว่าหมั่นตามดูรู้กายและใจเห็นอย่างนี้ต้องใช้สตินะต้องใช้สตินะสติคือตาในงั้นการเจริญสติเนี่ยนะหลวงพ่ อ, อเขียนรือคูบอาจารยทา์ท่านก็จะท่านจะเน้นเรื่องการเห็น โดยพ่อหลวงพ่อคําเขียนท่านพูดไว้ชัดเลยนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะบางทีท่านก็ใช้คําว่าดูอยากเข้าไปอยู่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นโดยเพราะการคิดแบบไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาเช่นลักคิดหรือเรียกว่าลักคิดเนี่ยหรือพอมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ย ใจเนี่ยมันเข้าไปเป็นเลยใจมันเข้าไปอยู่เลยอยู่ในความคิดเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังยืนอยู่นะหรือกำลังนั่งก็ได้จู่ๆก็มีรถไฟขบวนหนึ่งนะท่างนั่งที่มีคนบอกให้รอนะแต่ว่าเราเห็นรถไฟก็ขึ้นรถไฟไปเลย แล้วก็ไปอยู่ในรถไฟนั่นแนหะอยู่จากขบวนหนึ่งอยู่จากกู้ตู้ที่หนึ่งไปตู้ที่สองตู้ที่สามตู้ที่สี่เดินไปเดินมาอยู่ในตู้รถไฟนั่นแหละ น, นี้เราอยู่แล้วนะไอ้รถไฟนี่เปลี่ยนเปน็นความคิดและอารมณ์หลายคนเนี่ยเวลาเวลาปล่อยใจลอยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะเราคงสังเกตได้ขณะที่เราปฏิบัตินเนี่ยใจเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในความคิดเนี่ยเหมือนกับไปอยู่ในขบวนรถไฟเลยนะ คิดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งจากเรื่องที่สองไปเรื่องที่สามเรื่องที่สามจบไปเรื่องที่สี่สต่อนะสังเกตไหมนะว่านั่นแหละคือการเข้าไปอยู่หรือเข้าไปเป็นหรืนะอครับเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นนะมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่ครอบจิตเอาไว้และใจเราเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์นั้นเช่น พอมีความโกรธก็เป็นผู้โกรธพอมีความเศร้าก็เป็นผู้เศร้าพอมีความเบื่อก็เป็นผู้เบือ่อยิ่งพอมีความง่วงก็เป็นผู้ง่วงไปเลยนะหรือมีความเครียดก็เป็นผู้เครียดอันนี้แล้วว่าเขาเป็ น, ปนแล้แต่พอเรามีสตินะออกมาเห็นนะไออารมณ์เหล่านี้นมันมันหายไปเลยมันจางไปเลยใหม่ๆเนี่ย คิดตะพื้ตะพือคิดเป็นวักเป็นเวรแต่พอมามีสติรู้นะจะสังเกตว่าความคิดมันจะค่อยๆจางหายไปมันก็ค่อยเฟดไปแต่ตารางพอสติไวขึ้นเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็จะจางหายไปเร็วมันจะไม่ใช่หายปุ๊บปับนะถ้าหายปุ๊บปับเนี่ยเหมือนกับตัดฉับเนี่ยแสดงว่าไปเพ่งมันละไปกดไปห้ามไปตัดความคิดละซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกนะ แค่เห็นเฉยๆนะไม่เข้าไปเป็นหรือตามความคิดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้านนะไม่ต้านไม่ผักไสไม่กดข่มนะอันนี้เป็นทางสายกลางเห็นเนี่ยเป็นทางสายกลางก็คือว่าไม่ตามไม่เพลินในความคิดและอารมณ์นะความคิดและความคิดนั่นจะเป็นลบ อารมณ์มันจะเป็นลบนะบางทีก็เพลินนะอย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ยคนเราพอเศร้าเนี่ยมันจะจมอยู่ในความเศร้ามันจะยึดมันจะหวงแหนความเศร้าเวลาโกรธก็จะหวงแหนความโกรธมันจะจมหยิ่งไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมออกมาเหมือนก่ามันมีรสชาติอันนี้ก็เรีว่าเป็นความเพลินนะเราไม่ได้เพลินแต่เฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นเพลงที่เพราะ อาหารที่อร่อยหรือว่าความทรงจำที่สวยงามที่หอมหวานนะแต่แว่าแต่ความทรงจำที่เจ็บปวดประสบการณ์ที่เลวร้ายพอเราพลัดเข้าไปในขบวนความคิดและอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็เพลินเหมือนกันอันนี้รวดตามนะตามพอมาปฏิบัติอ่รู้ว่าตามไม่ดีทำให้ทุกข์นะ มันจะเริ่มสูิงไปอีกทางนึงเป็นทางสุดตรงอีกทางเนี่ยก็คือต้านคอยเบร ค, คอยห้ามคอยตัดคอยกดคอยข่มเนี่ยก็ไม่ถูกนะเพราะว่าหนึ่งทำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งอยูนะ่ในความคิดเนี่ยหรือจิตเนี่ยยิ่งห้ามมันไม่ให้คิดนะมันยิ่งคิดห้ามมันไม่ให้โกรธมันยิ่งโกรธสังเกตไหมเวลาเร า, เร า, เ, ราเรานอนเรานอนไม่หลับ เพราะความคิดฟุ้งซ่านเราพยายามห้ามความคิดไม่ให้คิดนะเพื่อที่เราจะได้หลับรอกว่ายิ่งตาสว่างขึ้นไปใหญ่ยิ่งคิดใหญ่เลยนะต้านไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้นะคือไม่ได้ผลแถมแยก่กว่าเดิมหนักกว่าเดิมสองมันทำให้เราเครียดมันทำให้เราเอ่อมีอาการเช่นบางคนก็แน่นหนะ้าอกบางคนก็ปวดหัว จะเป็นกันเยอะนะโดยที่ไม่สังเกตว่าที่เป็นเช่นั้นเพราะว่าลืมหายใจคนที่ไปเพ่งนะไปเพ่งจ้องความคิดเนี่ยนะไปคอยพยายามไปตัดความคิดแบลความคิดเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยรู้ตัวนะเขาตอนนั้นเนี่ยเขาจะากั้นลมหายใจพอกั้นลมหายใจไปบ่อยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เครียดเลย ถ้าเป็นหนัหนกๆนะจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะสู้มันให้ได้เนี่ยนะกูจะไม่ยอมแพ้มึงไอ้ความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยเสร็จเลยนะก็จะยิ่งเครียดหนักมันเป็นปฏิกริริยาเดียวกับเวลาเราจะเพ่งเพ่งเพ่งเข็มหรือว่าเวลาเราสนเข็มเนี่ยนะเราต้องใช้การเพ่งสังเกตไ่มเวล า, เาสนเข็มเนี่ยเราจะกั้นลมหายใจบางคนไม่ค่อยสังเกต น, นะ แต่ว่าเราก็มีปฏิกิริยาเดียวกันนะเวลาเราไปเพ่งที่เท้าที่มือหรือไปโดยเพราะการพยายามไปตัดไปห้ามความคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราให้เราใหเราวางนะพยายามที่จะไม่ไปทำอย่างนั้นหลวงพ่อคำแกนเขาบอกว่าให้รู้ซื่อๆนะก็คือเห็นเฉยๆนะเห็นเฉย ๆ, ๆ ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอย่าไปอย่าไปรู้สึกรบกับอารมณ์และความคิดที่มันเป็นลบหรือเป็นอกุศลเห็นมันเฉยๆนะเห็นมันเหมือนกับเราเห็นกุฏิเห็นต้นไม้ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรา เหมือนกับว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันอยู่นอกตัวเราที่ไม่ใช่เราซึ่งจริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่เราจริงๆด้วยแต่เพราะไม่มีทีท่าแบบนั้นล่ะจึงเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้เกลียดความโกรธเป็นเราความโกรธเป็นของเราเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเกิดความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่เราเข้าไปเป็นแล้วนะ เห็นมันนะหรือว่าดูถ้าเราถ้าใจเราเนี่ยนะเรารู้ที่จะดูมันเฉยเฉยหรือเห็นมันเฉยเฉยเนี่ยไม่นานมันก็จะหายไปอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเมื่อมันถูกเห็นเนี่ยมันจะคลายพิษสงลงการเห็นเนี่ยเป็นเสมือนการถอดเขี้ยวเล็บของมัน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความโกรธความเกลียดความเศร้าความพยาบาทหรือราคะโรพะมันจะล่าถอยไปหรือเปรี่ยบเหมือนกับว่าไฟกล่องไฟเนี่ยถ้าเราไม่ไปเติมเชื้อเติมไฟเติมฟืนให้มันเนี่ยมันก็จะค่อยๆมอดดับไปมันต้องมอดดับอยู่แล้วถ้าไม่มีใครไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันแต่ที่ไฟมันไหม้อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราคิดถึงมันอยู่บ่อยๆ เราเลี้ยงมันเอาไว้เวลาเราคิดถึงเรื่องที่เจ็บปวดทำให้โกรธแค้นเนี่ยคิดถึงมันบ่อยๆก็คือเรากำลังเลี้ยงไฟเอาไว้ เ, เวลาเราคิดถึงเรื่องที่เศร้าโศกชวนให้เศร้าโศกเสียใจเราก็เลี้ยงมันเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงเปล่าๆนะโดดเข้าไปอยู่กลางกองไฟเนี่ยเข้าไปเป็นนี่ยคืออย่างเงี้ยคือเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นเข้าไปอยู่กลางกองไฟ แต่ถ้าเห็นนะก็เหมือนกับว่าเราออกมาออกมาดูมันออกมาดูมันไฟยังไหมอยู่นะแต่ถ้าเราออกมาดูมันเราจะรู้สึกว่าร้อนน้อยลงความทุกข์จะน้อยลงไฟยังไหมอยู่แต่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ยิ่งอยู่ห่างมันเท่าไหร่นะยิ่งมาเห็นหรือดูมันไกลๆเนี่ยก็ยิ่งไม่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไฟมันยังไหมอยู่แต่ว่าพอไม่ไปไม่ไป เติมเชื้อเติมฟืนน้ำมันมันก็ค่อยดับไปการเห็นมันทําหน้าที่แบบนี้แหละอันนี้รวมถึงความปวดความเมื่อยด้วยนะหรือว่าความคันนะปวดเมื่อยเพราะนั่งนานคันเพยุงกัดถ้าเราไม่มีสติไม่เห็นนะมันก็เข้าไปเป็นนะเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยผู้คันใช่ไหมเราก็ทุกนะทุกตั้งกายทุกตั้งใจแต่ถ้าเรา ออกมาเห็นนะความปวดยังมีอยู่นะแต่ว่าใจไม่ปวดแล้วมันมีแต่กายที่ปวดและหรือกายที่เมื่อยกายที่คันมันจะให้ความรู้สึกต่างกันมากเลยนะระหว่างเห็นความปวดกับเป็นผู้ปวดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่ชอบความปวดนะยามพยายามยิ่งพยายามผลักสายความปวดมันก็ยิ่งจมลึกดิ่งเข้าไปในความปวดมากขึ้น เหมือนกับพอถูกน้าถูกบุ้งแล้วมันคันหรือว่าถูกมแมลงบางชนิด ก, กัดแล้วมันคันเราก็เกาเนี่ยเราเกาเพื่อจะได้หายคันใช่ไหมแต่กลับคันหนักขึ้นนะโดยพอถ้ามันมีอาการแพ้เนี่ยยิ่งเกาเท่าไหร่ยิ่งคันมากเท่านั้นก็เหมือนกับการที่พยายามผักสายความปวดยิ่งผักมันเท่าไหร่ยิ่งจมเข้าไปในความปวด ยิ่งทุกข์หนักขึ้นฉะั้นอยู่รู้ชื่อชื่อรู้อยู่เฉยเยเนี่ยนะดูเฉยเฉยเนี่ยสำคัญมากแต่ใหม่ๆจะทำได้ไม่ถนัดก็มาดูกายก่อนมารู้กายก่อนอยู่เพิ่งไปสนใจความคิดและอารมณ์บางคนคิดจะไปสู้กับมันอยากจะเอาชนะมันคิดแบบนี้ก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะวางใจไม่ถูกไม่ต้องสนใจมัน ไอ้ที่คิดอยากชนะมันเพราะมันมีความอยากอยู่ลึกๆอยากจะให้ใจสงบความคิดนี้เนี่ยมันอาจจะดีนะเพราะมันพาเรามาที่นี่แต่พอเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวร้ายเลยเพราะมันจะทำให้เราปฏิบัติ ด, ด้วยความทุกข์และปฏิบัติยิ่งเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติได้ผลช้ามากขึ้นเนินช้า ความอยากปฏิบัติเนี่ยนะมันดีต่อเมื่อมันพาเรามาที่นี่แต่ ท, ทันทีที่ลงมือเจริญสตินะต้องวางมันลงนะไอความอยาอกไอความอยากสงบอะ่ะความอยากสงบมันมันพาเรามาที่นี่อันนี้เป็นข้อดีแต่พอเราเริ่มลงมือปฏิบัติต้องวางความอยากลงเพราะถ้าเรามีความอยากเต็มหัวใจนะเราจะพยายามไปบังคับควบคุมจิตให้มันสงบ แล้วเราจะทนไม่ได้เมื่อมันไม่สงบเมื่อมันฟุง้งแล้วเราก็พยายามไปกดข่มมันเราไปเราก็จะพยายามไปเพ่งบังคับจิตไม่ให้คิดโดยการไปเพ่งที่เท้าที่มือหรือบางทีก็เพ่งที่ลมแล้วก็จะเครียดและพอไม่สงบพอใจยังฟุ้งอยู่เราก็จะผิดหวังความผิดหวังจะมากหรือความผิดหวังจะมากเมื่อเรามีความอยากสงบมากแล้วเมื่อผิดหวังมากๆ แล้วไม่สงบทั้งทีสุดท้ายเราก็จะท้อแล้วเราก็จะเลิกนะทำไม่ได้นานงั้นให้วางความอยากสงบลงซะนะอีกอย่างหนึง่งความอยากสงบเนี่ยมันทำให้ใจเราไปจดจ่ออยู่กับผลที่ยังไม่เกิดซึ่งนั่นคืออนาคตการเจริญสติเนี่ยคือการให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเห็นสิ่งเห็นหรือรู้สิ่งที่มันเป็นปัจจุบัน ไม่ใช่อนาคตกรรมประโยชนปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นเป็นหลักเลยนะของการเจริญสติมารู้กายเมื่อเคลื่อนไหวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกายกําลังเคลื่อนไหวใช่ไหมก็รู้กายไปไม่ว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะมาในหลวงการสร้างจังหวะการเดินยังกรมหรือว่าการล้างหน้าแปรงฟันกวาดพื้นซักผ้าเนี่ยถ้ามันเป็นปัจจุบันเมื่อไหร่ก็ให้ใจอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็จะรู้กาย ความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันเผลอคิดไปนะก็รู้ทันเห็นความคิดเห็นอารมณ์อันนี้คือเห็นด้วยสตินะผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนงันคลางแคลนขอควรพ่อปุณตการเช่นนั้นไว้อันนี้คือบทที่เราได้สาธยายกันไปเมื่อวานเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งธรรมในที่นี้หมายถึงทุกอย่างนะ ที่เกิดกับกายและใจไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคําสอนอะไรที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็หเห็นมันถ้าเห็นด้วยสติมันจะวางนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือใจก็จะสงบโปรงโล่งเบาเพราะว่าพอมันพอพอมันถูกเห็นเมื่อไหร่เนี่ยพอเราเห็นเมื่อไหร่เนี่ยใจมันก็จะเลิกยึดเลิกถือ พอที่มันยึดที่มันถือที่มันปรุงเพราะมันเผลอไปมันไม่รู้ตัวกานที่ต่อไปเนี่ยนะพอเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเห็นลักษณะเห็นธรรมชาติเห็นความจริงของกายและใจเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงนี้แหละที่จะเห็นสัจธรรมแล้วจะเริ่มเห็นสัจธรรมแล้วแล้วปัญญาก็จะเกิดนะ ก็จะเห็นนะโอสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นว่าสังขารทั้งปวงมันเป็นทุกข์เห็นว่าท่านทั้งปวงเป็นนักตาหรือก่อนหน้านั้นก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่มีเรามันเป็นแต่รูปกับนามนะไอ้ที่ว่ามีเรามีเราเรานี่ยนะมันหลงมันลวงนะมองไปจริงๆเห็นความเห็นของจริงเห็นของจริงก็จะพบว่าไอ้เราเนี่ยมันไอ้คาว่าเราหรือตัวกูเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาในใจ ของจริงมันก็มีแค่สองนะคือกายกับใจเนรูปกับนามตรงนี้แหละที่จะเห็นความจริงแล้วนะจากการมาดูมาเห็นของจริงสิ่งที่ตามมาได้สุดคือเห็นความจริงและความจริงนี่ก็จะช่วยทําให้ใจเนี่ยนะไกลาจากความทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราหมั่นนะหมัน่นหมั่นเห็นนะหมัน่นหมั่นดูนะกลับมารู้ อย่างที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านพูดนะที่อาตมาได้กล่าวถึงเมื่อวานเนี่ยในความเก่งก็คือเก่งเมื่อเรากลับมารู้นะไม่ใช่เก่งเพราะเรานั่งนานเพราะเราทำนานไม่ใช่เก่งเพราะว่าใจไม่คิดเลยนะอันนั้นไม่ใช่นะเก่งเพราะเรากลับมารู้บ่อยๆกลับมารู้ใบไวที่กลับมารู้เพราะว่ามันเห็นไงมันเห็นว่าเผลอไปหลงไปมันก็กลับมา จิตมันสติเนี่ยคือตัวช่วยทำให้เห็นเห็นแล้วสติก็จะพาจิต ก, กลับมากลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่ากลับมารู้นะมันรู้จากความหลงและรู้ บ, บ่อยๆรู้ บ, บ่อยๆมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่แค่รู้สึกตัวนะมันจะรู้ธรรมด้วยมันจะเห็นธรรมด้วยนะซึ่งนี้แหละคือนะจุดหมายสูงสูง ข, ของการของธรรมะในพุทศาสนา พอมันช่วยทาให้หลุดพ้นได้ทาให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้พอไม่มีความยึดติดถือมากอีกต่อไปนะความรู้หรือความรู้ในส่จะทำมันทำให้จิตเป็นอิสระน ะ, ะคำนี้มเพกกันเท่า น, นี้นะครับพระ